ถ้าจะให้ประชาธิปไตยสมคุณค่าต้องให้คนมาพูดจาแก้ปัญหากันด้วยปัญญาได้จริงการพัฒนาคุณภาพคนในด้านปัญญานั้นต้องเอาจริงเอาจังให้เต็มที่และที่เป็นฐานเป็นแกนก็คือความรู้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันมากที่นี่แต่มีข้อที่ควรเน้นไว้อย่างหนึ่งคือเรื่องความรู้ กับความรู้สึกมีปัญหาที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเรื่องนี้คือการแยกไม่ถูกหรือแม้แต่แยกไม่ออกระหว่างการปฏิบัติต่อความรู้กับการปฏิบัติต่อความรู้สึกถึงกับทาให้ปิดกัน้นการเผยแพร่ความรู้แล้วก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาปัญญาต่อไปอีกถ้าแยกการปฏิบัติต่อความรู้กับการปฏิบัติต่อความรู้สึกไม่เป็น ก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาปัญญาต่อการรู้จักแก้ปัญหาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธรรมาทิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยิ่งเพื่อร่วบรัฐขอพูดในเชิงพฤติกรรมเลยเรื่องนี้เป็นปัญหาทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะเห็นว่าคนไม่น้อยพอพูดเรื่องที่ไม่น่าชอบใจหรือเรื่องที่ตนไม่ชอบ ก็จะพูดโดยแสดงความรู้สึกโกรธเคืองหรือเกลียดชังอย่างที่เรียกว่ามีอารมณ์บางทีก็ถึงกับตั้งใจปลูกเร้าความรู้สึกที่เรียกกันว่าอารมณ์ของผู้ฟังการพูดอย่างนี้เป็นไปในทางก่อปัญหาถ้ามีเรื่องราวขยายบานออกไปปัญหามีในตัวผู้พูดคนหนึ่งแล้วก็แผ่ขยายกว้างมากคนออกไปทีนี้ทางด้านผู้ฟัง ถ้า ผ, ผู้แสดงอารมณ์ก็พลอยมีความรู้สึกร่วมในทางร้ายขยายปัญหาอย่างที่ว่าแต่บางทีเพียงแค่ได้ฟังเรื่องที่ไม่ชอบใจจากแหล่งข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีการแสดงความรู้สึกประกอบก็เกิดความรู้สึกและแสดงอารมณ์ออกมาถ้าทีอย่างที่ว่ามา น, นี้ทำให้ม่รู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหา แต่ตรงข้ามเป็นการก่อหรือขยายปัญหาดังที่กล่าวแล้วทีนี้ก้าวต่อไปของเพราะเห็นผู้พูดและผู้ฟังที่พูดหรือฟังโดยพ่วงไปกับความรู้สึกหรือมีอารมณ์อย่างนั้นบางคนคิดไปในด้านเป็นปัญหาดังว่าแล้วก็เลยหันไปมีท่าทีในทางตรงข้ามคือห้าไม่ให้มีการพูดบอกเล่าเรื่องอันไม่เป็นที่ชอบใจ หรือปิดกั้นการเผยแพร่บอกเล่าข้อมูลความรู้ที่ขัดจิตไม่ถูกใจสองอย่างนี้เป็นการลั่นไปสุดตรงสองข้างแต่รวมแล้วก็มีผลเป็นการปิดกั้นความรู้แบบที่หนึ่งนั้นเตลิดไปกับความรู้สึกทำให้รับความรู้ไม่ครบไม่พอและเป็นความรู้ที่ถูกแต้มถูกเคลือบ ทำให้มีรู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่พัฒนาปัญญาและไม่ช่วยให้แก้ปัญหาส่วนแบบที่สองเมื่อปิดกัน้นการบอกเล่าเผยแพร่ความรู้ก็ไม่พัฒนาปัญญาและไม่ช่วยให้แก้ปัญหาไปอีกแบบหนึง่งความรู้นั้นจำเป็นสำหรับปัญญาและการแก้ปัญหาตลอดถึงว่าต้องใช้ในปฏิบัติการทั้งหลาย และเป็นสภาวะที่ต่างหากจากความรู้สึกแยกกันได้กับความรู้สึกความรู้มีตัวตั้งมีที่ตั้งของมันอยู่ข้างนอกตัวเราหรือต่างหากจากตัวเราเป็นอิสระของมันไม่ว่าเราจะรู้มันหรือไม่มันก็คงอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่รู้มันเราก็ขาดข้อมูลขาดปัญญาที่จะปฏิบัติจัดการต่อมันและต่อเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงการที่จะแก้กปัญหาส่วนความรู้สึกมีตัวตั้งมีที่ตั้งอยู่ข้างในตัวเราเองเกิดจากเหตุปัจจัยในตัวเราเองปรุงแต่งขึ้นมามันจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะจัดการและกําจัดหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ซึ่งอยู่ที่การพัฒนาตัวเราเองถ้าปฏิบัติในเรื่องนี้ถูกต้อง เราก็จะได้พัฒนาคนในด้านหลักคือพัฒนาด้านปัญญาพร้อมกับพัฒนาจิตใจไปด้วยพัฒนาปัญญาคือให้รู้เข้าใจมองเห็นความจริงตามที่มันเป็นให้ทั่วตลอดรอบด้านถูกต้องทองแท้แน่ชัดที่สุดพัฒนาจิตใจคือให้มีความรู้สึกที่ดีๆมีใจเป็นกลาง ไม่ตั้งความรู้สึกทางร้ายในเวลารับรู้จิตตั้งมัน่นเข้าใจเห็นใจปรารถนาดีเป็นอันว่าความรู้เป็นของจําเป็นอย่างที่ว่าแล้วมันมีตัวตั้งมีที่ตั้งมีสภาวะของมันที่เป็นอิสระจากตัวเราซึ่งเราจะต้องรู้มันตามสภาวะของมันคือตามที่มันเป็น การที่จะรู้มันตามสภาวะหรือตามที่มันเป็นนั้นก็ต้องไม่มีความรู้สึกเช่นว่าชอบหรือชังเข้าไปแต้มหรือย้อมสีหรือบิดเบนและอย่างที่บอกแล้วความรู้สึกมีที่ตั้งมีเหตุปัจจัยอยู่ในตัวเราเองเราจรึงจัดการได้จะให้มีให้หมดไปหรือเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ซึ่งขึ้นต่อการฝึกตัวฝึกใจของเรานั่นเอง ทีนี้ในการที่จะรู้นั้นเรามีวัตถุประสงค์ชัดอยู่แล้วคือ 1. เพื่อจะได้ข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลโดยรู้เข้าใจเรื่องราวตามเป็นจริงคือตามที่มันเป็นของมันและ 2. เพื่อก้าวไปสู่การปฏิบัติจัดการในทางที่จะแก้ปัญหาดังนั้นในด้านความรู้สึก เราก็ตั้งท่าทีของจิตใจในการที่จะรับรู้ด้วยความเข้าใจตลอดจนเห็นใจโดยมีความปรารถนาดีและมุ่งที่จะแก้ปัญหาแม้ในการพูดจาบอกเล่าข้อมูลความรู้นั้นก็ตั้งท่าทีของจิตใจเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามที่มันเป็นและเพื่อการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตั้งความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์ ต่อโลกและต่อกันวางใจให้เข้าในแนวทางของสังคมประชาธิปไตยว่าหาความรู้ไม่ยัน่นพูดและฟังกันได้เต็มที่โดยตั้งใจดีเพื่อจุดหมายที่ร่วมกันเมื่อมีการสแสวงและแสดงข้อมูลความรู้โดยตั้งท่าทีให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นประจำก็จะเป็นการพัฒนาทั้งทางปัญญา และทานจิตใจไปพร้อมกันดังที่ว่ามาและข้อสำคัญก็คือจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ว่านี้ก็คือปฏิบัติการสำคัญอย่างหนึ่งในระบบราาประชาธิปไตยคือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแห่งปัญญาซึ่งดำเนินไปโดยกระบวนการพูดจาหรือเจรจา โลกมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์มากมายความขัดแย้งระหว่างเผ่าชนระหว่างเชื้อชาติระหว่างศาสนาเป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลบพ้นไปจากหูจากตาจาเป็นจะต้องวางท่าทีให้ถูกด้านแรกต้องหาความรู้ความเข้าใจรู้เรื่องราวความเป็นมาให้ชัดให้พอพร้อมทั้งเผยแพร่ให้รู้เข้าใจกันไปตามเรื่องที่มันเป็นของมันนั้น กับด้านที่สองมีท่าทีของจิตใจในการที่จะเข้าใจหรือแม้แต่เห็นใจและลงท้ายก็จบด้วยมุ่งจะแก้ปัญหาฝึกหัดการพูดจาการเจรจาแก้ปัญหากันด้วยท่าทีอย่างมิตรที่ต่างก็ตั้งจิตคิดในทางที่จะแก้ปัญหาด้วยความรู้ด้วยปัญญาที่มีเมตตาเป็นน้ำเลี้ยงใจโดยพูดจาช่วยกันหาทางไปด้วยกัน ด้วยการพัฒนาในการสแสวงหาแสดงความรู้และตั้งวางท่าทีของจิตใจให้ถูกต้องกับทั้งฝึกในการพูดจาเจรจาแบบร่วมกันแก้ปัญหานี่หละคนก็จะพัฒนาประชาธิปไตยก็จะเป็นจริงได้และปัญหาในโลกของเรามนุษย์ก็จะมีทางแก้ไขสันติสุขก็จึงจะมีทางเป็นไปได้ พูดตามภาษาของหลักการก็บอกว่าด้านแสวงแสดงความรู้ให้ชัดให้ตรงเป็นเรื่องของปัญญาการตั้งวางท่าทีของจิตใจให้มีความรู้สึกที่ดีปรารถนาดีตั้งใจมุ่งดีที่จะแก้ปัญหาทําประชาให้สงบสุขเป็นเรื่องของจิตหรือสมาธินั่นเองแล้วออกมาที่การพูดจาเจรจาท่าทีกิริยา ก็ฝึกก็ครองตัวให้เป็นที่สำแดงที่สนองรองรับของปัญญาที่รู้ตรงและจิตใจที่ตั้งให้รู้สึกดีงามได้อย่างนั้นนี่ก็เรียกสั้นคาเดียวว่าศีลดังนั้นพร้อมกับที่ประชาธิปไตยอันเป็นระบบจะพัฒนาขึ้นมาได้ก็ต้องมีการพัฒนาทางสังคมคือศีลซึ่งเป็นด่านหน้าที่เปิดทางให้การพัฒนาปัญญา และการพัฒนาจิตใจเดินหน้าเคียงห น, นกันไปที่ว่ามานั้นก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะว่ากันให้ถึงแก่นถึงแกนแท้ๆก็ต้องไปถึงหลักการใหญ่ที่ว่าระบบจัดตั้งทั้งหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการทางสังคมรวมทั้งระบบการเมืองการปกครองต่างๆอย่างประชาธิปไตยนี้ ไม่ใช่เป็นจุดหมายแต่เป็นมรคคาเป็นวิถีเป็นกระบวนวิธีเป็นวิธีปฏิบัติหรือเป็นทางดำเนินเพื่อให้บรรลุจุดหมายพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องมืออย่างคำฝรั่งที่พูดกันบ่อยว่าเป็น means ไม่ใช่เป็น end ส่วนจุดหมายก็อย่างที่มากพูดกันสั้นๆว่าเพื่อให้มีสันติสุข หรือจะพูดให้ยาวหน่อยว่าเพื่อชีวิตที่ดีงามธรรมชาติที่รื่นรมสังคมที่สันติสุขหรืออะไรทํานองนั้นก็แล้วแต่พูดลึกลงไปว่าวินัยเป็นเครื่องมือจัดการให้บรรลุจุดหมายของธรรมหรือธรรมะนั่นเองทีนี้มองลึกลงไปอีกตัวแท้ตัวจริงสาระแก่นหรือแกนของระบบการ ของกระบวนวิธีหรือเครื่องมือที่ว่านั้นซึ่งมีอยู่ในตัวคนคืออะไรก็คือปัญญาคือความรู้หรือการเข้าถึงความจริงนั่นเองปัญญานี่แหละพามนุษย์ให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงชีวิตเข้าถึงโลกเข้าถึงส า, ากลจักรวาลและโยงไปถึงจุดหมายโดยเป็นแกนขับเคลื่อนส่องสว่าง นำทางนำวิถีบอกวิธีทุกอย่างดังที่มีปราดฝรั่งพูดไว้ตามแนวคิดของเขาว่าสามารถรู้ลวงเอาความลับของธรรมชาติออกมาแล้วใช้ความรู้นั้นพิชิตจัดการมันได้ตามความต้องการของมนุษย์แกนของเรื่องอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรปัญญาอย่างรู้นี้จะเข้าถึงสภาวะทั้งหลายนั้นอย่างแจ้งจริง ไม่พอกไม่เพียนไม่พร่องและเอาความรู้นั้นมาใช้ตรงไปที่จะแก้ไขความติดขัดทำให้ถึงสันติสุขได้จริงไม่เฉยช่ไม่เอียนเอียงมนุษย์มีจิตใจเป็นที่ใช้ที่ทำงานของปัญญาและก้าวไปในการใช้ในการทำงานปัญญานั้นด้วยการคิดสภาพจิตของมนุษย์นั่นเองเป็นตัวการใหญ่ที่จะทำให้ปัญญาที่รู้และการใช้ปัญญาคิดนั้นสะอาด และตรงหรือไม่และสภาพจิตของมนุษย์นั้นก็เกิดจากความรู้สึกของเขามีความรู้สึกเป็นตัวปรุงแต่งแค่รู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจแล้วไหลไปตามความรู้สึกนั้นความรู้และการคิดก็สะอาดและตรงไม่ได้จึงต้องให้มนุษย์พัฒนาจิตใจของตนให้เขามีสภาพจิต ที่เอือร์หรือเปิดโล่งต่อการรู้การคิดนั้นให้รู้ให้คิดได้สะอาดตรงและเต็มศักยภาพของมันสภาพจิตที่พัฒนาถึงขั้นบรรจบและเปิดโล่งต่อปัญญาก็ต้องถึงขั้นมีความรู้สึกที่เรียกว่าอุเบกขาที่เที่ยงดิ่งลงตัวสมดุลสะอาดเป็นกลางเปิดทางแกะปัญญาที่ใสสว่างอย่างแท้จริง พูดรวบรัดว่าประชาธิปไตยที่เป็นระบบวิธีในการจัดการสังคมโดยประชาชนเป็นผู้มีอำนาจปกครองตนเองนั้นประชาชนจะต้องมีการพัฒนาให้สามารถปกครองตนเองได้ตั้งแต่แต่ละคนปกครองตัวเองเป็นซึ่งรวมทั้งจัดการสภาพจิตของตนได้ไม่มีหรือไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความรู้สึกที่จะปรุงแต่งสภาพจิต ชนิดที่จะทำให้การใช้ปัญญารู้และคิดบิดเบือนเอ็นเอียงไม่สะอาดไม่ตรงพูดเจาะจุดตรงนี้ว่าสังคมประชาธิปไตยจะมั่นคงํำรงอยู่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาดีมีคุณภาพสามารถบรรลุจุดหมายถ้าคนจำนวนมากวุ่นวายเหิมใจอยู่กับความคิดเห็นที่เป็นไปภายใต้การครอบงำของความรู้สึก เอาความรู้สึกมาสนองความรู้สึกและเอาความรู้สึกมานำความคิดประชาธิปไตยจะดีประชาชนต้องมีคุณภาพที่พัฒนาถึงขั้นจิตปัญญาที่จะให้พาดกันเดินหน้าไปได้ด้วยความมั่นใจที่จะลุถึงจุดหมายที่มุ่งไว้ของสังคมโดยสื่อสารพูดจาเสริมปัญญากันด้วยความคิดเห็นที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่จริงแท้แน่ชัด ในบรรยากาศของความรู้สึกที่ได้ฝึกให้แสดงออกมาเป็นท่าทีและวิธีพูดที่มีเมตตาไฝ่ปัญญาเข้าใจเห็นใจตั้งใจปรารถนาดีมุ่งที่จะร่วมกันแก้ปัญหาดังได้กล่าวมานั้นในสังคมประชาธิปไตยเมื่อประชาชนเป็นให ญ, ญ่จะปกครองตัวเองได้ก็ต้องมีปัญญาและต้องร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีความรู้อย่างดีที่เข้าถึงปัญหานั้นๆเมื่อมาประชุมพูดจากันด้วยความรู้จริงโดยมีความตั้งใจอันเป็นไปด้วยความรู้สึกที่ดีพูดกันได้เต็มที่ไม่ให้มีอะไรข้างคาใจการพูดจาก็จะเป็นไปโดยธรรมสมชื่อว่าเป็นสภาดังพุทธพจน์ที่ว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษ ที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนพวกใดพูดจาไม่เป็นธรรมคนพวกนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษจึงต้องย้ำว่าสังคมประชาธิปไตยอยู่กันด้วยความรู้และใช้วิธีการแห่งปัญญารวมกันใช้ความรู้แก้ปัญหาด้วยการประชุมพูดจาโดยมีท่าทีตั้งใจอยู่ในความรู้สึกที่ดี พูดและฟังความจริงกันได้เต็มที่ให้ยุติด้วยดีมิให้มีช่องให้ใครเอาความรู้ซึ่งอ้างว่าผู้ประชุมไม่รู้ไปก่อเรื่องร้ายภายนอกสภาหมายเหตุคำว่าสภาแปลว่าที่เป็นที่พูดร่วมกันที่ประชุมหรือสถาบันหรือองค์การอันประกอบด้วยคณะบุคคล ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยหรืออำนวยกิจการด้วยการประชุมปรึกษาหารือออกความคิดเห็นร่วมกันในเมื่อประชาธิปไตยเป็นระบบการเป็นกระบวนวิธีเป็นวิถีที่จะให้ไปถึงจุดหมายที่ดีของสังคมก็อย่าให้เขาแค่์ไขได้ว่านี่แค่วิธีแค่ทางไป ก็ยังเอาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แล้วอีกเมื่อไหร่จึงจะไปถึงจุดหมายสักทีก็เลยนําเอาเรื่องตัวอย่างของการจัดตั้งระบบชีวิตและกิจการของมนุษย์อย่างอาริยชนที่เป็นอาริยวินัยมาพูดเป็นแนวไว้พร้อมกับที่ลึกซ้อนลงไปก็ต้องการเน้นความสําคัญของการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่จะมาสารอริยวินัยนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาได้อีกที จบเสียงงานหนังสือมองหนังสือพุทธธรรมถามหาอนาคตสมเด็จทราพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโต